แก่กรรมจั ก, กระวัตินสูตรอนัตตะกนัตสูตรอาทิตตปริยัสยสูตรสติปฐานปาทะและธรรมนิยามพระสูตรที่สําคัญหรือเจกเป็นพระสูตรหลักก็คือธรรมจั ก, กระวัตินสูตรนี่เองเป็นที่มาของคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัาวว่าเมื่อพระองค์ได้ค้นพบทางสายกลาง คือมักมีองค์แปดทำทางสายกลางให้เกิดขึ้นก็เกิดความมหัศจรรย์ก็คือเกิดรังสีเป่งปลั่งทำให้โลกสว่างไสวรังสีฉับพรันรังสีพลุ่งพุ่งถึงพรหมโลกพระองค์ประกาศว่าไม่มีใครที่จะทำได้เหมือนพระองค์ ไม่ว่าพรมเทพเจ้าลัทธิพิยามานหรือจากนี้เองพระพุทธเจ้าพระองค์ได้แสดงถึงว่าสิ่งที่พระองค์ค้นพบนคือทางสายกลางหรือมักมีองแปดและการที่จะทำให้มักมีองแปดให้เกิดขึ้นจะต้องเข้าใจ ดังที่พระองค์ได้อธิบายหรือขยายความตามที่ปรากฏในพระสูตรต่อไปก็คือเริ่มจากที่พระองค์พอแสดงธรรมจักก็ปรากฏว่ามีแต่เพียงท่านกลทญญะเท่านั้นได้ดวงตาเห็นธรรมแต่อีกสี่ท่านคือวัปปะพัทยมหานมะและสัจฉิไม่ได้ดวงตาเพราะไปยึดติดในคําสอนดังเดิมที่ว่ามีอัตตา ที่มีสภาวะเป็นสามก็คือสัตว์จิตนา น, นันทะว่าทุกคนเนี้ยแบ่งภาคมาจากพระเจ้าหรือที่เรียกกันว่าปรมาตมันนที่เรียกเป็นภาษาสันสกฤตมหาตมันมั่งปรมาตมันส่วนมนุษย์เราจะเป็นอาตมันแต่ถ้าเราเรียกเป็นภาษาบาลีก็ปรมัตตา อัตตนี้ป็นธุ์ซึ่งมีสภาวะที่ว่าเป็นสัตว์จิตอนันทพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ แ, แสดงให้เบญจวัคคีย์ที่เหลือให้รู้สภาวะความเป็นจริงว่าอัตตนั้งที่กล่าวไม่มีถ้ามีอัตาจริงแล้วก็คงไม่มีการเจ็บป่วย เมื่อมีการเจ็บป่วยก็แสดงว่าไม่มีอัตราที่เป็นอานันทะดังที่ยึดกันมา <c oughs> อันนี้เองที่ทำให้เบญจวคีทั้งห้าได้เป็นพระอรหันต์จากพระธรรมเทศกาสนาการที่สองก็คืออนัตตลกนสูตรและอาทิตประรยสูตรก็คือแสดงโทษภัยของกิเลสกันห า, าที่มาครอบงำ ใช้คำว่าราคะโทสะโมหะมีอันภาพมากพระอาทิตว่วร้อนมีอนุภาพมากพระอาทิตย์เผาไหมทำให้สลายไปก็พิบ ษ, ษาแต่ก็สามารถไปเกิดได้ ท, ทันทีแต่ผู้ที่ถูกไฟคือราคะโทสะโมหะเผานั้นต้องได้รับความทุกข์อีกเป็นเวลาไม่ร้อยกิบไม่รู้ว่ากี่ร้อยกิบพันกี่หมื่นปี และพระองค์ตรัสว่าการที่เราจะพ้นทุกได้นะก็คือใช้หลักที่ว่าสติปัฏฐานดังที่พระองค์ตรัสในมหาสติปัฏฐานสูตรที่ไิมานสูตรอนาปานสติสูตรว่าสติปัฏฐานและพระองค์ย้าชัดในสขาถาวรสังยุตตนิกายว่าสติปัฏฐานสี่ จะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยอาณ า, า, าปานสติอาณาปานสติเนี่ยความจริงพระพุทธเจ้าพระองค์ปฏิบัติมาแล้วม่ฝึกจากดาบททั้งสองที่รู้จักกันว่าอาราระบทกับอุทธกาดาบทคือทางโยคะเขอสอนมีชื่อว่าอาศดางคโยคะโยคะนี่ถ้าจะสำเร็จโยคะต้องปฏิบัติให้ครบองค์ เรื อ, องค์แปดที่มีสําคัญอยู่ข้อหนึ่งคือว่าอิสรภาพนิทานว่าการที่จะบรรลุจุดสุดยอดต้องอาศัยพระเจ้าหรือพระอิศวรมาช่วยเนื่องจากพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตั้งสัตว่าพระองค์จะเป็นสัมมาสัมพุธธทธะอธิฐานจิตได้่างนั้นเมื่อเป็นชนี้พระองค์ก็แสวงหาทางพระองค์เองและมาปฏิบัติใต้ล่มโพธ ก็ได้สำเร็จเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะและพระองค์ก็แสดงถึงลำดับของการเกิดขึ้นของธรรมะว่าพระองค์ใช้อานามปานสตินี่เองแต่ จ, จะว่าไประริอานามปาณสติคืออานาปาณสติสิบหกขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือต้องทำกายานปจนสติปฐานสี่ขั้นตอนให้เกิดก็คือการที่จะเกิด การยานปัฒนาสติปฐานสี่ขั้นตอนก็ต้องฝึกลมหายใจให้ยาวเป็นพื้นฐานอันนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันฝรั่งเข้าไปวิจัยกันแล้วมันจริงอย่างนั้นเมื่อลมหายใจยาวและสามารถเข้าฌานเข้าสมาธิได้ขั้นที่หนึ่งเมื่อลมหายใจยาวมีความพร้อมที่จะอยู่ในสภาวะคล้ายกับคนตายได้เพราะผู้ที่เข้าสมาธิเข้าฌานนั้น ดับลมหายใจก็คือไม่หายใจเมื่อลมไม่หายใจไม่มีตาไม่ดูหูไม่ฟังจมูกไม่รับก ล, ลิ่นลิ้นไม่ริมรถกายก็นั่งตัวตรงดํารงกติมัน่นอันนี้เองเรียกว่าเข้าฌานเริ่มขั้นที่หนึ่งลมหายใจยาวอยู่กับลมหายใจด้วยความมีสติขั้นที่สองเมื่อมีความพร้อมลมหายใจจะสั้นลงก็กําหนดด้วยความมีสติและขั้นที่สามลมหายใจจะแผ่ว แล้วก็สั้นแล้ขั้นที่สลมหายใจอยู่อันนี้เรียกว่าเข้าฌานก็คือเปลี่ยนสภาวะจากวิถีจิตหรือจิตของคนธรรมดาตาหูตาดูหูฟังจมูกดมกลินล่นลื่นลิ่มรสกายถูกต้องสัมผัสใจคิดก็กลายเปน็นฌานจิตอยู่ด้วยปีติด้วยความสุขแล้วก้าวไปสู่เวทนาเวทนาก็คืออยู่ด้ปีติด้วยความสุขเอง ฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเราเข้าใจในการปฏิบัติโดยเยตเราธรรมจักตุปวัตตนสูตรอนัตตะกนัสูตรอาทิตย์พุยญ่สูตรสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานคริมานุสูตรอานาปานาสติสูตรอันเนี้ยเป็นหลักที่พระเจ้ามีการสอนและการบรรยายธรรมวันนี้เพื่อที่จะให้ง่ายต่อการที่จะจําพระสูตรหลักได้ อาจารย์แนบสุธิพันธ์ึท่านมีความชำนาญในการที่จะใช้เสียงทำให้เกิดปีติดังที่ไ็บอธิบายมาแล้วว่าถ้าว่าสามารถสวดและทำเสียงให้เกินเจ็ดเสียงก็จะเกิดปีติเกิดความสุขและสามารถเข้าสู่ฌานได้ต่อไปนี้จะสาธยายหรือสวดมน เป็นภาษาบาลีถ้าท่านต้องการความเข้าใจความหมายก็อ่านจากหนังสือธรรมะในบทสวดมนต์มีแจกที่บาลีนั้นแล้วความเข้าใจในบาลีก็จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็เป็นการสวดบนต์โดยสาธเตธรรมเพื่อให้เกิดติในการฟังธรรมและการปฏิบัติธรรม ตาจักวารีสูอนตรกชนทุธิวตาสัทธมังมุนีราชสัสนันทุสักโมกตังปริตานุภาวสทธารกุติ เปรีตวันนั้เมตังสมาตาทัณฑาง่าวิกิตจิตตามปรีตังพนันตุละเคิงกรรมิจะรุมเปมกิริสิคราตเตจันตริเขวิมาเนียนี้เปรติจะข้าเมรู้วันาการนเขวุดุลิเกตยำ อาตยจนทุลุกกำปรราชายมราชาอินทเวสวรรณราชาอริยเมตโยโพธิสัตว์วากาตยวนอริยสาวกจะพุทธเจนะกัญญานังจสัมมาทิฏฐิ เยาว์ปุถุพัสสนาธรรมิมพัสสนาสังเกะพัสสนาปุถุสักระวาธรเมสักระวาสังเกะสกระวาโตธาตุยาวะกรัมปรา อิมมะสเมงสุจักวาเลสุหัวทายังมุนิวราวะเนังซาโตเมสุ น, นันตูนัมมะสวนราการุยะมปันตาธรรมมะสวรนาการุไอยะมปันตา มัจจำวันกัลวะอายมปัจทันตานามูดตันพังกวัตวอะระหูนสัมมาสัมบูรัสสังนามูนตันสำพังกวัต ราตสัมมาสัมพุทธาารยนโมตัสสัมพกวัตุราตสัมมาสัมพุทธาจารยจิชีวิตั้งยาวนิพพานังสนังกันชามี มังชีวิตังยาววันิพ้านังสรรนังกันชาเมสังกังชีวิตังยาววันนี้ปานังสรรนังกันชาเมดุติยามปิมพุปังชีวิตตั้งยาววันนี้ปานังสรรนังกัญชาเม ตุติยมเป็นมังชีวิตังยาววณิปานังรนังกัญชามีตุติยมเปสังคังคีวิตังยาววณิพานังรนังกัญชามีตุติยมเิสังคังคีวิตังยาววณิพานังรนังกัญชามีตัดติยมเป็นุดังชีวิตังยาววณิปานังรนังกัญชามี ตาติยมปิตังหังชีวิตตั้งยาววันปานังอนังกัญชามตาติยมปิสังคังชีวิตตังยาววันปานังรินังกัญชามอิติปิสูมังกวารังสัมมาสัมพุท วิชาจรณาสัมปโนสุกัตลุมกวิตวนุตระปุสธรรมพรสารีสัานที่วมนุษสานังพุทธมพะกวาตสวัสดุอมพระกวรตาธรรมุสันติติโกะอากาลิโกเอปิโกปะนิโกะปะจตังเวทิตตบูบิญย์หิ จุมปฏิปปโนบังคัวโตสาวกสังควรจุมปฏิปปโนบงควตสาวกสั่งควอย่ายังปฏิปปโนบงคับวตสาวกะสั่งคว สามินทิปติปนนมปะกวาตสาวกจังกูญาติจังกันตาริปุริสายุคานิอัตถุริสัปุกรามเออสัมพังกวตุสาวกสังกู ญเกตังโลกัสสีมันุตรังปิสัมภูทิสัมภิจุวันตทากตวนปัมังยังเทเสตธรรมะจักกังอนุตรังสัมมาทิวะปวเตนตูโลกเกัปปติวัติยัง ยะตาขานตาอุภูอันตานปฏิปัติจำมัจิมานจะตุสวารียาสเจโซวิสุตัญญาณทัศนังเศรษฐำนธรรมราเชนะสัมมาสัมพุทติกิริยังนาเมนวิสุตังสุนตัง น้ำมาจากกัปพวต้นางไวย่างกินอำาตน้ำสังขีตันตังรรมอาศัยเอวเมสุตังเอกังสมิยังกวามพารณสิยังเวรติ ยศปตเมิกาจยตัตรคูมพกว่ปัญจวกเยปิกะอามันเตสิมดเอเมปิโกเวอันตาปปะจิเตนนาเสวิตภาอยจะยังกเมสุขามสุขันลิการโยุอิโอคัมโมโปตุชนิกุ อนารยโยอนัตตสันนิโตโยจะยังอัตตะกิลามทานโยกุปะทุกุอนารยโยอนัตตสันนิโตะเอเตเตพิกเวอโพอันเตอนุปปัมมะมัจจิมาปฏิปทาคาาเตนาพิสัมพุทธร จากภกรณนีฮานกระนีอุปสมายอภิญญายสัมพุทธายนิพพานายัสังวัตตติยังกัจมาจจะซาภิกเวมจิมาปฏิปทาตถาคตินภิสัมพุทธาจากภูกระนี ยานากรนียาอุปสมายพิญญาสัมผูทายนิพานายางวันตะเตยมวาริยตังจิโกมะพุนใจญาติตังสัมมาติสัมมาสังกโปสัมมาวจาสัมมาหักมมันตุ กมมจิวะสัมมาวายามสัมมาติสัมมาสมาทิอยังโขสารพิกเวมมจิมาปฏิปทานตัทธาคติณาอภิสัมุูฐาจักขุกรณียานกรณีปัจามายา อภินาญาสัมภูรยนิพานายจางวัตติอีทางคู่ปณปิกเวนทุขังอริยะสัจจังชาติปิตุขังจะราปิตุขามรน้ำปิตุขังโศกปรีถิวัตถุตมมันสุปายาสัมปิตุขาง เย่สัมโยโกตุโคปิเยวิปโยโกทุโคยัมปิชังนราปิตํัมปิทุขังสังคิเตนปัญจุปาฏานาคันตาภาอิทังโขปนาพิกเวทุกขสมุทติโยอริยสัจจัง ย่ายังตัณหาโปนุปวิกานันทิราคาตากตาตัตระตตรามินันทินีใจยติทางกามตัณหาภาวะตัณหาวิปภาวะตัณหาอีทางโคปนาปิเกเวทุกนิลุทวอริยสัจจัง โยตัสายวัตนายาเสวิราคนิโรโทจาโคปตินิสโคมุตติอนาลิยุทังโคปนาภิกขเวทุกคนิโรทคามินนปฏิปทาฤยจัง อาเยมีวาริโยะทังคิโกมะโกใจยะทิตังตัมมาทิติตัมมาสังกปุสัมมาวาจะสัมมากรรมตุกกรรมาชิวสัมมาวายมุสัมมาตินสัมมาสัมมานีทังทุขัง ญสจัน์ติเมผิงเวีุเพนุสุเตสุธรมเมสุจังคุงตปาติญาังตปาติปัญญาตปาติวิชาตปาติอาลูกูตปาติกาปณิทางทุขังอริยสจัปัญญาญติเมผิงคเวีุเพนุสุเตสุธรเม กปาติยานังปาติปัญญดปาติวิชาดับปาติอรมบปาติังกูปัาขังอริยสัจยังปัญญาตั้ติเมพิกเวีเพีนนองุเตตุธรรมเมสุจังกดัปาติยานังปาติยาดปาติวิชาดับปาติอารปาติ อังทุกขกับสตโยอรียสจัณติเมพิกเวฟผู้เปี่มอนัณณุสุเตสุตรเมสุจังฑคูตปฏิญานตปฏิปัญญาตปฏิวิจารตปฏิอาลูกูตปฏิตั้งโอมปณิทังทุกขกสมุทโยเรียสจังปฏาปัญติเม พิกเวเพนนาโนสตสุธรมเมสุจางคุงรบาติาณังระบาติปัญญาระบาตวิชาระิอาลูกูุบาติตางกกจะมุทยาอรียสจังไปนันทิเมพิกเวเพนนสตสุธรมเมสุจางคุงระบาติญาณังระาติปัญญาาติวิชาระาติอาลูก บ้านีทั้งทุกนิโรธอริยสัจจเมีคเวปุเพนันุตเตตุตัมเมตุจังคุงดปฏิยา낭ดับปติปัญญาัปวิชามเองอรูธปันตังปัีทางดุกนิโรธอริยสัจจง สติกาตพันธิเมผิกวเวผูเพนุสุเตสุตัมเมสุจางคุณระปาติญาณังระปาติพัญญาระปาติวิชานือราลูกูรปาติตังคูปณิตังทุกข์ณะโลโทเรียสจังทัติกาจันธิเมผิกวเว ภเผนนุสุเตสุธรมเมสุจักขุนธรรมปาธิญา낭ธรรมปาธิปัญญาธรรมปาธิวิจารธรรมปณิอาลุคูธรรมปาฏิณีทางทุกข์ันในโลธกามิเนีปฏิปทาระยะจันติเมีภิกษเวภเผนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุน มุตปาติญาณังตปาติปัญญามุตปาติวิชามตปาติอาลูกูมุตปาติตังโกมปณีทานทุกขนิโรธคมินีปฏิปทาเลยตจังอาวิธพันติเมพิกเวภูเพนตุเตตดํเมตุจังคุงมุตปาติญาณังปาติ การปติวิชาต์ปาร์ตอาลูกูตลปาร์ีิทงกุลปีดังลุกันนิโรธกรรมินีปฏิปทารียสัจจังอวิันที่เมพิกเวปุเพออนันตุเตสุตัมเมตุจังุจปาติยานัง มุตปาติปัญญาณบะวิฌามะอาลูกุฎาปาติยาวว่ากี่วันจำเมเพิงคุงเวเห็นิแม่สุจัตุสุริยสัจเจสุเวันติประวัตังทวัดตะสาการังยะตาภูจังญาณตัสนังนาสุวิสุทังอโหสิ เนวตาวังพิกเวสเตวะเกลูกเกสมาระกะพระพรหมเกสัตมนะพระมณียาปัญญาเตวมนุสสมาอนุตรังัมมาสัมพุทิงอภิสัมพุทโภจัญญาสิยะโตยะโกเมพิกเวเมสุจดุสุอาลสันเจสเววันติปุรุวันตังลวารตะการัง ยะธาภูตังญานัตสนังสุวิจังอโหเจอถังติคุเวสติวะเกโลเกสมาเกโยบรัมเกสัตมนะพรัมณียาปชฌาสัตมนุสัยยัอนุตรังสัมมาสัมภูติงอภิสัมภูตุมปัจจัญญาสิ้น ยานันจมเนตตนังตปติอกุบปาเมวิมุตติยมันติมาชาตินติธานิปุนนาปุตติอิทมวุตจัภะคะวาอจจมันนาปัญจวกิยามภิกขุภควตุพาสิตังอภินันทุ อิมันสมินจะปนวยากรณสมิงพันยมานีอายะสมโตโกนญาตสาวิรชังวีธรรมรังธรรมะจักขุรปาทีย่างกินเจสมุติยาธรมังสัพันตังนิโรธธรรมันตีปวัตติเตจะปกวตาธรรมะจักเกียอุมาเจวาสัตมนุสาวีุง พระกวาตพารณติยังยีสิปัตตเนมิกาธาเยอนุตรังธรรมะจางกังพระวตติตังอปปติวตติยังมเีนวะมณีนวะอวนวะมารินวาปรณาวะกนจิวารูกัจมินติอมานังอีวนังกันตังสุตวะ ญาตุมาติวะเทวาสัตมนุสาวสงขจัดมาติวะนังเทวะนังสัตังสุตวตาวติสาเทวาสัตมนุสาวิสุขดาวตินังเทวะนังสัตตังสุตัวญาติวสัตวมนุสาวสงขญาตนังเทวะนังัตังตุตวตุสิตาเทวาสัตมนุสาวิสุข สีดานังเทวานังตตังสุตวานิมมานนติเทวาสัตมนุสาเวสุนิมมานตินังเทวนังตตังสุตวะปรนิมมัสสวติเทวาสัตมนุสาเวสุปรนิมมสวตินังเทวานังตตังสุตวรมาธรมตานเทวนังตตังสุตวะมัปริตาเทวาสตมนุสาเวสุง ปริตาณังเทวนังตะตังตัวตัมหาพระมารถิวาจตมนุสาเวิสุงมาพระมนังเทวณังตตังตัวตัปริตาปาเทวาจตมนุสาเวิสุงปริตาภานังเทวนังสะตังตุวตัวปรมานาปาเทวารตมนุสสาวิสุง บานาบนังเทวนังสัตังโสตวานอภตจราทิวานสัตมนุสาเวสูงอภตจรนังเทวนังสัตังโสตวานผลิตสุภาทิวาสัตมนุสาเวสูงผลิตสุภานังเทวนังสัตังโสตวานอภปมาณสุภาเทวานสัตมนุสาเวสูง มาพมานตสุภานงเทวนังสตตังสุวสุภินากรเทวะจัตมนุชาเวสุกินากเทวนังสัตตังสุตวะเวหัปปะราเทวะจัตมนุชาเวสุเวหัป e ะลานังเทวนังสัตตังสุวะวิเทวอัตมนุชาเวสุวิยานงเทวนังสตตังสุวอัตปาวะจัตมนุชาเวสุอัตปานังเทวานังสัตตังสุว ดูสัตว์เทวสัตมนุษาเวสุงดูสนังเทวานังตังตุทวัสุดสีเทวาตุมนุษาเวสุงดูสีนังเทวานังตั้งตุทวะอกานิตการเทวสัตมนุษาเวสุงเอตัมกมวตาภรณสียังอิศิปตนเนมิขตาย อนุตรังดัมมะจักังปวัติตังอัปปติวัตติยังสมเนนวาพระมเนนวะเอเวรวะมารีนวะรมุนาวะเกนิกีวโลกสเมนตียตนเตนเนเตนหเตนยะวะพรหมโลกาสัวพุกะจีอยันจะทัสัสสิลูกะทาตุสังกัมปสัมะกัมปสัมะเวเท อัปมาโนเจาราลุปาตุโลแกปาุระโหสิติกัมเมวเทวานังเทวันภาวังตะกูภควานังตา낭เทอเนสอัญยาเทวตโภคุณันยูอญยาเทวตโภคุณ ok ันยูตีตีตังอายะสมโตคุณ ok ัญญสะอญยาคุณินย e ู ตะเววรณมังอาโหสตีธรรมจักประวัตินาสุตังหิตตีตังยันตังสเตนทุเกนะให่ยังนตระกนังอจวาทาตสัญญาณังสัมมเตวามิโมจนะคำภูตตังระกาเตเสัจจานโยกินังอุตริงปฏิ ทายาอาวิทุงญาณมุจมังยันเตสังกิธรรมมาณังยาเนนุกนึตังตาปัสเวหิจิตานิมุจิงโสอเซสตุตาถายานันสเรนะซาสนังกัตุมิชตังกาตุนังตังตังสุกันตังปนามาสี เอวเมตุตังเอกังตมะยังปะกวาปรณสียังวระเตอิสิปตเนมิกาตาเยตระคูมปะกวปัญจวกีเยปิคุอมันเตเสรูปังนิกเวนนาตารูปันิจาอาาภวสัทนสังรูปังอาาจะยสังวตยะระเพจะตะรูเปเอวังเมรูปังโหตูเอวังเมรูปังมาโหติ ยตมาจากมิกเมูปังนตาตสมาลูปังอภาสังวัตเตนัจจลปติรูเปวังเมลูปังโหโตเอวังเมลูปังมาโหติเตเวทนานตาเวทนาหิตังมิวตาิเวทนสังเวทนาปาสังมุตตะเปตเวทนาหิวงเมเวทนาอุโเมวทนาามุติเตยัมาจโกมิโกเวทนานนตา อาตมาเวนาปานสงหตตนจปติเวทนาเวังมีเวทนาอุตูเวังมีเวทมาอุติตีสัญญาณตาสัญญาที่ตั้มีแวตาพระพิสานาสังสัญญาภาแต่สังหะใจญาระเปจรัตสัญญายาเยาวังมีสัญญาอุตูยังมีสัญญามาเอาสิตี ยอสมาจะกโกภิกเวสัญญาณตาตาสมาสัญญาภาดัสังวัตตินะรัตติสัญญาเอวังมีสัญญาหตูเอวังมีสัญญามาหสีติสังคารานตาสังคาราจิตังตาอภิวิสังสุนาจิตังสังคาราภาดัสังวัตยุงโรเปตาสังคารเลโซ เวังเมสังคราหูนตุยวังเมสังคารมาเฮสุนยสมาจโกมิกเวสังครานตตาทัสมาสังคราพาเทสังวัตันตย์เมเจรปติสังคเลสวยวังเมสังคราหูนตุยวังเมสังคาระมาเฮสูนเตย์วิญญาณังนตาวิญญาณังใจทั้งทิ่กเวอตาปวิสั นาจิตังวิญญาณังอาสังวตาเยรเปตวิญญาณอวังเมวิญญาณังตัวเอวังเมวิญญาณมาหสีเตยตมะจกโภิกเววิญญาณังนตาตัสมาวิญญาณังอาสังวัตตนจัลลาปติวิญญาณเอวังเมวิญญาณังหตวเอวมิญญาณังมาหสตังกิงมัญจารปิกเวลุปังนิจังวานิจังวาณี อันยิจังันเตยำบรรณอนิจังตุกังวตังุกังวติทุขังปันเตยำบรรณอนิจังทุกังวิปรมะมังคมิปรณมะดมมังกลังตังทมผปตุงเอตังมะเอโสวัมเอโสเมีตาติโนเหตังปันเตตังกิเวทนาอนิจาวนิชาวนตนิจาันเต ย่อมบริจังังันตุกังวันเตตุกังปันเตย่อมบาริจังกังปรมกัลลังตังสมุสงเอังไมเอตมัตเมเตเมตตาเตโนเตังันเตตังกิวิสัญญาณิจามวานิจาวนติอนิจาปันเตย่มบรริจังังวันตังวันเตตุกังปันเตยมริจังกังปรมกัลลังตังสุตัง เอตังมะเอโตมะติมิเอโตมิอาตาตโนเอตังพันเตตังเก่งมัยะะอิกเวตังการานิจาวนิจาวะติอานิามพันเตยัมมนาณิจางตุกัวังตุกังวติตุกังพันเตยัมมนานิจางตุกังปริมังกลังตังตมพ่งเอตังมะเอโตมะติเอโตมอตาต โนเฮตังพันเตตังยมวิญญาณนิจังวานิจังวาเนิจังพันเตยำนานิจังตุกัังตุกังติุกังพันเตยนนิจังกังิมาณกลังตังมตังเอตังมเอโซมัตเมอโอตตาโน่เฮตังพันเตัมติยาเวกิจิลังติตานังดาปัจจุบันังจตังวา ปณิตังวะโอกังวุกุมังวินาวาปิตังวายันตุเรสันติเกวะตะังลูปังเนตัมัเนโตมัจเมตตาติเอวมีตังยถาปูตังกัมมะปัญญายะตัปังยะกัจเเวทนาติตานัคาปจุปนจตาวะปิาวะโอไรกัวุกุมัวะหินาวปณิตาวยะตุเรสันติเกวะตาเวทนา เนตังมะเนตมัตมิเนสตาติเอวมีตังยะถาังสัมปัญญายัตภามญางกจิสัญญาติตานักระดาปจุปนาจะเต้ปิตาวะอุราิกวะุกุมังหินาวปนิตาวะญาตุเรสันติเกหะดภาสัญญานตังมะเนตมัตมิเมสุตาติเอมิตัง ผู้ังมปัญญายะตัดแตงเยเกจิสังขาราอาทิตตานักตาปัจมาราจตาปิทาวะอุไรกาสุมาวีนาปณีตาวะเยทุเรสันติเกวะตาเพสังขาระนิังมันิโสมันิสตาทีเอมิตังจะตาผู้ังธรรมปัญญายะตัตแตังยังจินจิวิญญาณัง นาตตนางดาปจุปนาจตังวะิตาวะโหราจิกังตุมังหินังวปณิตังวะยังทุเรสันติเกวะปังวิญญาณังนิตัมมเนิตมันิตวตาติเอวมิตังยถาผู้ตังสมะปัญญายาตัตถังเอวังปังบิกกเวตุวาริยะสาวกรูปัตมิปินนติเวทนายปินนตสัญญาปินนต พาเลตุปินปินตะเตวิญญาณนาจมินิปินตะเตนิปินทางราชิติวิราคายมุจเตวิมุตต์ตัมญาังุิกีนาชาติวสีิตังมุจเรียงกตังกรณียันาปรัอิตาตายาตีปชานาตี ทธรรมวูจะระกุมาธมนาปัญจวคยาปกูพระกุโตผานังปีนนทงอิมสิ์จะปนาวิยากรณัติง์พัมเนปัญจวคยานังปกูนังอันุปาทายอาสเวจิตานิวิุมจิงสุตีอันตรกนาสุตังนิตตเวนายม มโนปเยสปัสโซปรมินคะโตอโมกวาจโนพุทโอะิญญาสัสะวตโตจาเตธรมเนนะที่ในยังประชังันตุนาิปริจาณังกัมพุชฌารากุินังยามัจิตาปริาังเทศยันโตมนนรัง เตสุตโรวิโมเจสิอาศัยขายวิมุติยามอันติวุตรงขายาวิญญาณตงโดวุนิจตางุกันนารกันปายังตั้งตุตันตม์ปนามาสิเหวเมตุตังเหงังคุณยังกวาขยาหยังมิระติขยาชิเซสถิงพิกุสเสนะ กัตตะโกมะกวาปิกุมนเตเมพังปิเวทตังเกณยีิุเวตะังที่ตังกะุตังุปาทิตาจะวิญญาณัทตังจากุสัมปโสติตนย่ำดตังจุสัมปะสปัาปัติเวที่ตังสุขังวะดูขังวะทุกขมสุขังวะตัปอิตัาท่ตังาทตังราคัินาตกินากินา นติตังชาติยาชะรามรเนนัสเกโตุมนาเตมุยายสติตังจวะรามีโตตังมิตังสะทาติตาโตตวิญญาณังติตังโสตสัมปตุติโตยัมติตังโสตสัมปสัพจยาปัจติเวทิตังทุกังทุกังวะทุกมาทุกังวะคัปิอาติตังเกนาติตังอาติตังราคินาโตตุกินาโมวังกินาิตังชาติยา รามระเนนโตเกยปริเตเวโตเกโรมนาเตวยเตตตนวะทามีขานังทิตัคันธาติตาขนวิญญาังทิงขสมตโตติโตยัมปิทางขนังสมญจติเวังทุกังวะทุกังวะทุกมทุกังวะตัมปิอัจิัเอนะจิตังจตรากินาโทจักนามวกินาจิตัชายา เจรามเนโเกยลิเเวทุเกโมนาเสปุายติันวทามิจิวะิตาัติาิววิญญาณังติตังิวสัมปโตติโตะยิตังจิวสปจปจิเวทังตุกตุกังตุกามทำบิิตังเกนาติตังนาติตังราคตินาตุินาโินาติตังชาติยาจรามเนนโสเกย์ปลิเเวทุเกโมนเสปุายัติันวทามิ กายโติต๊ะโกฏิภาติตังกายวิญญาังติังกาสมุทโติโตยมติทางกายสมุสญะปุจจติเวทังทุกังวาทุกังวาทุกขะมะทุกังวะธรรมดียติตังเกนาติตังอนติตังรางกันนาโตสกินามูกีนาติตังญาติยาจรามะเนนัโตเกณฑ์ริเตวทุเกตมัสุนติตังวะธร ทิตามนุญานังิตังมนสัมปโสทิตตยัมปิตังมนสัมสจติเวทิตังทุกังทุกังวาอาุกมะทุกังวาตัมพิยิตังเกณฑิตังอาทิตังราคกินาโตสกินามัวกินาอทิตตังชาติยาชรามปรเนนโเคปริเเวทุเกตมนาเซปายะทิตันเกวตามี วังปัังพิกเวตวาริยาสาวกูจักกูตมิเป็นเป็นรูปเสมเป็นจักกูวิญญาเป็นเป็นจักกูสัมภเสีเป็นตยัมปีตังจักกูสัมุจเวตังกังวะกครังวะทุกมาติเปโตตัติงเนิินตสตเตเป็นเป็นโตตวิญญาเป็นิพินตโตตะสัมะเวสีนิพินตยัมปีตังโต สามปเวทเวทังทุกทุกตุัดมนิพินนเตอนตมวินเตกนพินฆนวิญเนปินเตอนาสันิพินเตยำปิทางฆานาสัสเวทังทุกทุกตุนตัดนิินเตชิว่ปุ่นเนิพินนเตชิววิญญานิปินาเติวสัมนิพินนาเต ยำปังจิวาสัมยาคุปะจติเวทีตังทุกังตุกังตุกังัตสมินิปินตะเตกายงุตมเป็นิสุนกายมการยำยันกายสมยยปังกายะมทสัพปะเจวิเตตังทุกังวตุกังัุกังวัตมิปินตเตมานะสมเมมโนมมมโนสมุทยยำปังมโนสมเนทตัุกัง วินทางวิราชติวิราค้าวิมุตติวิมุตตะมิงวิมุตตมเตญาณังโหตที่นาชาติติตังรมจารย์กตังกรณียันาปรังนิทตาญาติปชานาติติที่ธรรมวูจะปะกวาธรรมนาเตมิกุงกวาตไปตังปินัทุงอิมัตเมนญปุนาวยากรณิปุ ตัดซาปิคูซาสันปัตยาสุวิตานุวิมุจจรูเตีสาธิตปริยัสนิติธารมธร่มปุจติบัณฑเตโตมากันวันกมุนีเอกายนังมขังนามะเห็นไนยังอัตติยีทธันุิตาสตานังา เป็นวิสุทิสกานังปริเทวานังอติกมาสปโสุคานังทุมสนังอตังกมายาติตังาสิุตกมายาานาจามิปัติยานกติปทานนวิสุตังวิยสเสตังัมัตัง นามาตอติกเตนัปกวตาชานตาปัตะราตาสัมมาทูเอกยานุวยังมะขวสัมมากาเตสัตตนังวิสติยะโกับริเทวนังสัมเดฆะทุกตมนาานังอัตังเมยยาญาติมะนิพพานะสัยัิทังจตารู้ตติปัานังกตเมเจตารู้ทัปิูกายเย์กายปสิวะเต เปสัมปะชะโนติมาวินัยโลกเกิดจังเวทนาตุเวทนาปสิวิรติอาตาปิสัมปชานะสติมาวินัยโลกเกิดจังเวทิจานปสีวิรติอาตาปีสัมปชาโนวสติมาวินัยโลเกิชาธุมนัสังธรรมเณรจัมมานุปสิวิรติอาตาปีสัมปชานะสติมา วินยโลกเกพิจารณะสังกระดานปิกูกกายิกายปฏิวะติอิตัมปิกุอาตังว่ากายิกายปึกเวรติภยทาวากายิกายปุรุวรติจตัภทาวากายิกายปุรุวรติสมทาธมานุปสวะกายสมิงวรติวิญธรรมานุปสีวะกายสมิงวรติ วิญญาตมนปฏิวัติวิงรติติกาย่ิวัปะสะสติปัจจุตาหูติยติวานมตายปฏิสติมัตยนิสิตจวิหรติาจินิโลแกอุปจิตวังโกายกาปฏิิิกุเวทนาเวทนาปฏิวรติิตโกกตังวเวทนา ปิตาวาเวทนาโมปิปตาวาเวทนาเตตนุสมุทัยธรมานุปะเสเวทนาสุทยวาณมะนุปัสสิวาเวทนาตุปิยาวาณรมะปัิาเวทนาสเวรติปิเวทนาจิวามกันนะสาสุทยวิเทวายามัจายปิเทสนิโตจุเวรติ นาจะกินจิโลเกปาจิติเอวังโคปิภูวเวทนาเวนกระทันจิตภูวจิตเตจิตานควันสีวิรติอิทามภูวจะตั้งวาจิติภิทาวะเอารัตตบีทาวจิตเสมุตติยะรมา มติจิตันทิวามปณะสะสติปัจิตาหูติญาวะทิวยันมัตายาปิสัติมะนิสิตูจเวระตินาจะกินจิลกเกมปาติยติีอวังโหภิกูนกิเตจิตันปันสีเวรติอะทัญภิกุธรเมสุธรรมานุปันสีเวรติ อจจะังว่าธรมเมสุธรรมานปสิวัตรีปาวาธรมเมสุธรรมานปสิวัตอาจจะเป็ยปัาวาธรมเมสุธรรมานปสิวิหรตีสมุทัยธตรมานปสิธรรมเมสุวิรติวายธมันปิวัธมเมสุวิรติสมุทัยวายธรมานปสิว่าธรมเมสุวิรตอันติธรรมาน มาปนัสะติปัจจุตหูติญาหัเทวญานมัตยปฏิสติมตยานิสิตุจวรเตนจักินจิโลกเกปาิติเอวังคูภิกขุธรมเฑุธรรมานุปสิวิรติอยังคูเตนนภควตาฉันตาปัสตาราตาสมาสมุตินา เอกยนมะโคสัมมทัากตุตตาณังวิสุทติญาโสกปริเทวานังสัมมติกมัยทุกขะตุมณสาณังอัถังกมัยยยายะสัติมาผ่านสัตติญาทั้งจัตารูจติปทานานตีเอกยนังจติขยังตังตี มังคังประชาณตีตานุกรรมเปียเอเตนมะเขนตเริงภูเปตริสเรจวตรรันติจูคันตีสติปทานปาทูนีตีตูยำเวนิพันยัสญาหนังภูเพมวัตเตอคาเสวะวิสยิปุตายังธรรมมณิยามตา อนนีจะตาทุกตาจะสเปสังจานตตาตามศาสามประกาทุกังสุตังยังธรรมพุทเธนปาติตังตุนังยานจาริณยญาท้าพุทเธเทสิตังโยนิโสปฏิปติยังตังสุตันตังปนามาสิเอวเมสุตังเอกังตมะยังกว สวัสียังวิรติเจทุกเนนนาฏปินนากสาตริยเมรนะตรากุมปะกวาปิคุมันเตนเตปิกงโอตพะทันเตนเตปิคูมตโตพะจ้ารงะกวาเอตตะวุจามป่าทาวาปิคงเวตตาคตานังอนุปาทาวตทากตานังทิตาวาาทาตุธรรมติตตา อัมมณียมตาสัมผีสังขารานิจารีตัมากตัวอภิสัมบูจตียปิสเมเตียิสัมพุชิตัวอภิสเมทตัวเจกติเทเทตีบัญญัติเตปัตเติวิวรติวิปัจจติอุตานิกรโรตีสัสังขรานิจาตี กตานังอนุปัฏฐานตาาคตานังทีตาวะตาธาตุธรรมติตาตาอรรมนิยมตาจำปีสังขารตุขาติตัมตาธตุวะิสัมมุจติอภิสมติปิสัมมุจตัวอิสมตัวจิกติเทเสติปัญญเปติปัตตเปติวิวรติปจิติตันมิกรติจำปีสังขาร ปาทาวาปิกงเวตัทาขตานังอนุปาทาวาตัทธาขจานังจิตตววาตาตุธรรมติตตตาธรรมยอมัตตาตะเปตตมาอนตานตีตัมตัทธาคตุวอภิสัมพุธติปิสมี่ิปิสัมภิตวาอภิสมีตวะจิกติเทเสติ พะปติปันพไปติวิวรติปัจติตตานิการูติพเะเทถมานาตาติอิตมะวุจัปังกวนวะอัตมนาเตปิกูวพระกวนทุมพาติตังอาปินันทุ ขปตะจะนิทุขังปยปัตา จ, น, าตาจนิปยาสุขปตานจะนิสโสกางหุนติสเปปิปานิโนโเอตาวตาจะามิสัมปตังคุณญาสัมปตังนาเพเท ว, วานุโดันดุสัพสัมปติสิทธิยาฐานนังรันนุสัทธายาสีรังรักขันตุสัพทา อาวนาิรตาวันทุขันตุเทวตากตาสัพเพภูธามปรณัปตาบัจเจกนันทิยมพลังอรหันตานนตะเจเทนะละคังพันธามมีสัพพะอายุวัตโกตินวัตโกสิริวัตโกยาสวัตโกปริวัตโกวันนวัตโกสุกวัตโกหูทุสัพพทา ดุกรโูขปยาเวราโสกาสุปตุวะานการตรายาพิมลสันุปติโสสาสิทธิธนังราพังสุตีกยังทุกขังพลังสิริอายุจวันูจปุขังทิชยัสวาสตัตวสารจะอายุจะชีวสิทตีปวันุเตมปวตุสัพปะมังคลังรักขันตุสัพปเทวตา สัพพุทานุภาเวนะสัทโสทีพระวันดุเตมบวตุสัพมังกรังรักขันตุสัพทวตาสัพตัมมานุภาเวนะสัทโสทีพระวันดุเตมบวตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพอเทวตา สัพพะสังขาุบาเวนะสัทธาสุทิ